เสียงท่านจะไม่ขึ้นปึงปังปึ ง, ป, งปังเพราะท่านอยู่กับธรรมเท่านั้นถึงไม่ติดธรรมท่านก็อยู่กับธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงระหว่างขันธิต ท, ที่ครองตัวอยู <S <S <S 2> <S 2> ่การเข้ากราบหลวงปู่แหวนคราวนั้นท่านมีโอกาสฟังธรรมป่า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 รู้สึกว่าดูรื่นเริงมากเป็นพิเศษครั้งหลังนี้ท่านพูดธรรมนานถึงสี่สิบห้านาทีเลยทีเดียวเมื่อหลวงปู่แหวนกล่าวธรรมจบลงแล้วท่านก็พูดกับหลวงตาว่าเอาท่านมหาค้านนะถ้าผิดตรงไหนค้านนะด้วยความเคารพบูชาในธรรมป่าของท่าน